สองเดือนที่แล้วนะมีข่าวที่เราอาจจะได้ยินอยู่บ้างคือข่าวนะักวิชาการไทยนะเ่งส่วนจะเป็นอาจารย์หรือทั้งหมดก็ว่าได้นะไปซื้องานวิจัยนะจากต่างชาติคือเป็นงานวิจัยที่ตัวเองไม่ได้ทำคนอื่นทำนะพี่ตัวเองก็เพียงแต่ว่าไปซื้อหมายความว่าให้เงินให้เงินกับคนที่ นำเสนอนะงานวิจัยเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยมีชื่ออยู่ในงานวิจัยนั้นว่าเป็นผู้ทำวิจัยเพื่อจะได้มีตำแหน่งหรือว่าจะได้ตรงตามเงื่อนไขของหมหาวิทยาลัยที่ว่าอาจารย์เนี่ยจะต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในต่างประเทศนั้นท่านจะ เป็นอาจารย์ได้นานๆนะก็ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในต่างประเทศจำนวนชิ้นเท่านั้นเท่านั้นก็แล้วแต่มาเท่าไรแล้วก็มีอาจารย์ไทยจำนวนไม่น้อยเนี่ยแทนที่จะทำวิจัยเองก็ไปซื้องานวิจัยโดยการจ่ายเงินเพื่อให้ตัวเองมีชื่ออยู่ในงานวิจัยเพื่อ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศมันเป็นข่าวเพราะว่าอาจารย์บางคนเนี่ยอยู่สายสังคมศาสตร์แต่ว่ามีชื่อในงานวิจัยทางด้านวิศวะแต่ทางด้านเกษตรนะคนก็เอะใจเลสอนสังคมศาสตร์สอนรัฐศาสตร์แต่ทําไมมีผลงานวิจัยทางด้านวิศวะทางด้านเกษตรทางด้านวิทยาศาสตร์ มันปิดสังเกตและต่อหลังก็พบว่ามันมีการเปิดเผยว่ามันมีมันมีตลาดนะที่ขายงานวิจัยเพื่อเรียกเอาเงินนะจากนักวิชาการต่างๆทั่วโลกแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วก็พบว่าเนี่ยเท่าที่มหาวิทยาลัยในเมืองไทยหนึง้อยแแห่งเนี่ยก็พบว่ามีอาจารย์ของตัวเนี่ยคน ซื้องานวิจัยที่ว่าแล้วก็มีอีกอาจจะเป็นร้อยนะที่อยู่ในขายอยู่ในขายของการซื้องานวิจัยซึ่งก็เรียกว่าเป็นการทุจริตทางวิชาการนี่มันนอกจากให้มีการตั้งคำถามนะกับอาจารย์หรือนะักวิชาการในเมืองไทยที่มีผลงานตีพิมพ์ในต่างประเทศแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการตั้งคำถามว่า ใอ้งานวิจัยเนี่ยที่อาจารย์หลายคนอ้างว่าตัวเองเป็นผู้ทาวิจัยเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนแลตอนนี้เนี่ยมันก็เพิ่งมีข่าวนะเมื่อเร็วเนี่ยว่าเมื่อมีการสอบสวนติดตามงานวิจัยต่างๆที่ได้รับการตีพิมพ์ในต่างประเทศ เฉพาะที่เกี่ยววิทยาศาสตร์เฉพาะที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์หรือว่าด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลเนี่ยซึ่งเป็นสาขาที่สำคัญของการแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยพบ ว, ว่าในมีจํานวนเป็นหมืน่นๆเลยนะที่สันนิษฐานหรือสงสัยว่าปลอมแปลง ตกแต่งข้อมูลหรือว่ายกเมกข้อมูลรวมทั้งไปลอกจากที่อื่นมาแล้วก็ดัดแปลงให้มันดูสวยดูดีคุณันน่าตกใจมากนะเพราะเวลานี้เวลาเราพึงเฟกนิวหรือข่าวปลอมเนี่ยมันเป็นข่าวที่ไม่มีต้นตอ แล้วก็เป็นเรื่องทางด้านการเมืองเสียเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องการแข่งแย่งหผลประโยชน์นะมันก็ดูเหมือนธรรมดานะที่จะมีการโกหกหลอกลวงเพื่อผลทางการเมืองแต่ว่างานวิชาการเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งเลยนะมันเป็นเรื่องของวิชาการเพื่อแสวงหาความจริงแล้วก็ คนที่เป็นเจ้าของงานวิจัยก็มีชื่อนั่ไม่ใช่นิรนามและแถมกว่าจะได้การตีพิมพ์เนี่ยมันก็ต้องมีการตรวจสอบโดยบุคคลในวงการเดียวกันที่มีความรู้มีประสบการณ์กว่าจะได้การตีพิมพ์นี่โอ้ม่ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนคัดกรองดืนยันความน่าเชื่อถือกว่าจะได้รับการตีพิมพ์เนี่ย แต่บกว่าอทีตีพิมพ์มาเนี่ยนะในวงในวรารสารวิชาการระดับระดับท็อปท อ, ทอของโลกนี่จำนวนไม่น้อยเลยนะมีการตบแต่งเติมแต่งบิดเบือนนะยกเมฆอย่างเนี้ยในช่วง30วิปีที่ผ่านมาเนี่ยเฉพาะในวงการวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาระดับโมเลกุลเนี่ยนะซึ่งมันเชื่อมโยงกับเรื่องการแพทย์เนี่ย เพาะว่ามีงานวิชาการที่ได้รับการตรีพิมพ์แล้วถูกถอดนะถูกถอดถึงหนึ่งหมื่ชิ้นนะเกือบสองหมืนะถูกถอดนี่คือหมายความว่าวัสสาราาที่เขาพิมพ์เนี่ยเขาประกาศเลยว่างานวิจัยที่เ้าตีพิมพ์เนี่ยชิ้นนี้ชิ้นนี้เ้าไม่รับรองแล้วเขาขอถอดแสดงว่าไม่น่าเชื่อถือ ก็2องห0ื่นชิ้นนะนะเฉพาะที่จับได้นะแล้วเฉพาะในวงการเกียววิทยาระดับโมเลกุลเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยนะไอ้งานงานที่ถูกถอดเนี่ยนะมีถึง2600ชิ้นนะเฉพาะในวงการแคบแคบวงการเล็กๆวงการเดียวเนี่ยอันนี้ถ้าถ้าเขาขยายการสอบสวนเนี่ยไปถึงวงการอื่นๆด้วยนี่ก็อาจจะ เจออะไรที่มันน่าตกใจยิ่งกว่า น, นี้เพอเนี่ยคนที่จะทําหน้าที่ใส่ใจที่จะมาติดตามจับเท็จเนี่ยงานวิชาการต่างๆที่ตีพิมพ์เนี่ยมัน ม, มันไม่ค่อยมีเพราะว่าไม่มีเวลาส่วนใหญ่ก็เอาเวลาไปทํางานวิจัยหรือไปงานสอนดีกว่าเนจะไปติดตามว่า้ ง, งานวิจัยที่ตีพิมพ์เนี่ย มีมีชิ้นใดบ้างที่มันทำแม่งทำแม่งนะมันไม่ค่อยมีนะแต่ว่าพอมีคนทำงานนี้ขึ้นมาโอ้เจอครามไปทางไหนก็เจอนะข้อมูลที่มันประหลาดประหลาดข้อมูลที่มันพิกกลนพิกกลโดยเฉพาะคนที่มีหูตากว้างไกลอ่านงานวิจัยมาเยอะเขาก็จะพบว่า ้งานชิ้นนี้เนี่ยที่ตีพิมพ์เนี่ยมันมันชอบกลนะข้อมูลนัแล้วก็มีคนนะมีความเพียรนะไม่มีคนเดียวมีมีเป็นคณะเลยไล่ตามไปเลยนะแล้วข้อมูลที่เขาค้นพบเนี่ยมันทำให้หน้าตกใจามากนะว่งางานวิชาการที่พิมพ์ในวารสารที่มีชื่อในต่างประเทศจํานวนมากนี่ มันเติมแต่งถามว่าในงานวิจัยที่ตีพิมพ์เนี่ยที่บิดเบือนข้อมูลยกเมฆเนี่ยที่มีมากมายเนี่ยมันมาจากไหนนะว่ามันมาจากสองแหล่งนะหนึ่งมาจากนักวิชาการที่มีชื่อนีซึ่งบางทีทำงานเป็นทีมนักวิชาการเนี่ยขยันมากเลยในการผลิตงาน และผลิงานแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นก็สร้างความฮือฮาให้กับวงการก็ทําให้ตัวเองเนี่ยมีชื่อเสียงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นําเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำแล้วคนก็เห็นว่าเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงก็ไม่กล้าตั้งคําถามก็เชื่อเพราะคิดว่าเนี่ยเขามีศักดิ์ศรีมีจริยธรรมทางวิชาการแต่ปรากฏว่า พอตามเช็คจริงๆโอ้มีไม่น้อยเลยนะที่ยกเมฆมีอาจารย์คนหนึ่งนะักสาราจารด้านทางด้านจิตวิจายนะนี่ประเทศฮอลแลนด์เนี่ยบากว่าต้องถอนงานวิจัยที่ตีพิมพ์เนี่ยยอมรับเลยนะว่ายกเมฆเนี่ยถึงเกือบหกสิบชิ้นนะขยันเขียนนะหกสิบชิ้นนี่ไม่ใช่น้อยเลยนะพราะว่า ไม่มีคุณภาพเลยสักชิ้นเพราะว่ามันยกเมฆนี่ขนาดงานวิจัยที่อ้างว่าทำกับมือนะไม่ได้ซื้อมานะทำกับมือแต่ว่ามันหาความเชื่อ n a t u r ถือไม่ได้เพราะถูกจับได้ว่าบิดเบือนข้อมูลหรือว่าเมยกเมฆขึ้นมาอ้างว่ามีการทดลอ ง, อ ย, ง, งอย่างนั้นอย่างนี้บอกว่าไม่มีการทดลองหรอกอันนี้ก็อีประเภทหนึ่งนะคือเพื เป็นคนดังเป็นนักวิทยาการที่มีชื่อเสียงอาจจะทำคนเดียวหรือทำเป็นคณะบางทีก็ให้ลูกศิษย์ทำรรบางทีก็ให้นักศึกษาปริญญาเอกทมแล้วตัวเองก็มาเติมแต่งข้อมูลสร้างความฮือฮาเพราะผลงานมีเยอะอีกประเภทหนึ่งเนี่ยมันเป็นฝีมือของเขาเรียกว่าโรงงานผลิตงานวิจัยอุณิปั้มนะ ปั๊มเพื่อขายนะใครอยากได้ก็มาซื้อเอาอันนี้แหละนะที่อาจารย์นะักวิชาการไทยเนี่ยนะถูกกล่าวหาว่าเนี่ยไปซื้อมาไปซื้อจากพวกที่ปั๊มงานวิจัยไปปั๊มได้เยอะนะเป็นพันๆเป็นหมื่นๆ น, นะก็เพราะว่าไปลอกไปคัดลอกงานวิจัยที่มีคุณภาพอยู่แล้ว แล้วก็มาเติมแต่งข้อมูลมาปรับเปลี่ยนข้อมูลมาแก้ไขนิดหน่อยแล้วก็ไปออกขายแต่ว่าหาความจริงไม่ได้เลยนะก็มีคนไปซื้อคนไทยก็ไปซื้อมาไม่ใช่น้อยก็เพราะว่าแหล่งผลิตนะปั๊มงานวิจัยเนี่ยแหล่งสําคัญกนะ็คือประเทศจีนนะจีนนี่มีชื่อเสียงหลายด้านเหลือเกินแม้กระทั่งงานวิจัยที่ ทำออกขายประเภทปั๊มกันมาเป็นโรงงานเป็นอุตสาหกรรมนี่โอ้โหมีเยอะมากแต่ไม่ใช่จีนที่เดียวนะที่อื่นก็มีเหมือนกันอันนี้คือความจริงที่คนไม่ค่อยรู้นะแต่ว่าเขาเพิ่งมาเปิดเผยนะว่าโอ้มันมันขนาดนี้เฉยนะไอ้ที่ําคัญคือว่าไอ้งานวิจัยเหล่านี้เนี่ยพอมันอ้างอีงมากมา ก, มากเนี่ยคนก็เชื่อและบางอย่างเนี่ยคนก็อนํามาไปปฏิบัติโดยพอเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการทดลองกับผู้ป่วย ซึ่งตอนนี้ก็พบว่าเนี่ยการรักษาเนี่ยหลายอย่างที่ทำกันเป็นลํ่เป็นสารทั่วโลกเนี่ยนะอกว่ามันเป็นอ้างงานวิมันปอ้างจากงานวิจัยที่ที่ยกเมฆนะอย่างเช่นนะ่มีมีมันมีข้อมันมีวิธีรักษาคนนะเช่นคนที่กำลังจะผ่าตัดถ้าเป็นคนที่ป่วยหนักนี่เขาก็จะมีการแนะนำว่าให้ลอง ฉีดเขาเรียกว่าสารละลาย a ตั c h Infusion เข้าไปเพื่อที่จะกระตุ้นหรือเพิ่มความดันของเลือดไม่ให้ความดันตกเพราะถ้าผ่าตัดแล้วความดันตกนี่อาจถึงตายมันก็ต้องมีการกระตุ้นให้กระตุ้นความดันเลือดก็ใช้ส t a c h Infusion ฉีดเข้าไปเพราะว่ามันเป็นคำแนะนำ หรือวิธีการที่อิงจากการวิจัยที่ยกเม่ขึ้นมาซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยถ้าทำาิมิเบอกาการทำเช่นนั้นเนี่ยมันทำให้คนจำนวนไม่น้อยเนียเน่ยมีปัญหาเรื่องไตไตาวายได้แต่ก็ทำกันไปเรียบร้อยแล้วทั่วโลกหรือไม่ก็มีนะคำแนะนำว่าเนี่ยสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการผ่าตัดถ้าป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจ หัวใจวายขณะที่ผ่าตัดหรือว่าเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่เราส ต, ตรคกเนี่ยเขาแนะนำให้ฉีดยาชื่อว่าเบต้าบล็อกเกอร์มันจะช่วยได้นะเพราะว่ามันก็มาจากการทดการวิจัยที่ยกแม่เหมือนกันของวิสัญญีแพท์คนนึงชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียงมากตอนนี้ก็เพราะว่ามันเป็นการวิจัยที่ยกแม่ขึ้นมาบิดเบือน เจ้าก๊อฟเนี่ยคือใช้เหตุให้ทำให้มีคนตายเนี่ยถึงหมื่นคนนะในเฉพาะเฉพาะในอังกฤษที่เดียวนะเพราะว่าฉีดบิทาบล็อกเกอร์เข้าไปโอ้มันน่ากลัวนะหรือมันมีงานวิจัยที่บอกว่าเนี่ยคนที่มีการกระทบทางหัวทางสมองนะถ้าฉีดหรือให้น้ำตาลความน้ำตาลเข้มข้นสูงสูงเนี่ยนะมันจะช่วยได้ทำให้อาการทุเลา บอกว่าพอไปสอบไปเช็คดูนะบากว่ามันมาอ้างจากการทดลองที่ไม่มีจริงงานวิจัยเนี่ยบอกว่ามีการทดลองอย่างนั้นอย่างนี้ทดลองแล้วได้ผลนะฉีดน้ําตาลความเข้มข้นสูงเข้าไปในผู้ป่วยที่มีอาการกระทบกระแทกทางหุบศีรษะเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีการทดลองเช่นนั้นจริงๆแต่ว่าคนก็เชื่อไปซะแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปปฏิ บ, บัติด้วย ตอนนี้เนี่ยมันก็เลยนะเป็นเรื่องที่น่าวิตกมากนะพ่อแม่กระทั่งงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพเนี่ยบอกกว่ามันเป็นความเท็จซะเยอะมีคนคาดประมาณว่าอย่างน้อยหนึ่งในห้าสิบนะที่มันมีการบิดเบือนข้อมูลบางคนบอกว่าเนี่ยบางทีอาจจะเกินครึ่งหรือเกือบครึ่งเลยนะ ที่มันยกเมฆขึ้นมาอันนี้มันก็เป็นอุทาหารณ์หรือข้อเตือนใจนะว่าแม้กระทั่งงานวิชาการนี้ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อมากเกินไปนะ伽าลามาสูตรเนี่ยนะมันยังใช้ได้ถึงทุกวันนี้นะอย่าเชื่อเพียงเพราะผู้พูดเป็นครูของเราอย่าเชื่อเพียงเพราะอ้างในตำรานะอย่าเชื่อเพราะผู้พูดเป็นศาสตราจารย์หรือเขียนเพราะว่า ไอ้ที่โกหกยกเมฆเนี่ยก็มีไม่น้อยคราวนี้ถามว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะที่มันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันมีคล้ายๆว่าเป็นเป็นเงื่อนไขเป็นกติ ก, กาที่เป็นไปเพื่อส่งเสริม ง, งานวิชาการคือสาบัวิชาการเนี่ยเขาต้องการส่งเสริมให้คนเนี่ยให้หนักวิชาการทํางานวิจัย เพได้เกิดองค์ความรู้ที่กว้างขวางและลึกซึ้งเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์เขาก็เลยมีการให้แรงจูงใจว่าเนี่ยถ้าใครทำงานวิชาการและมีผลงานดีมีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพเนี่ยก็จะเป็นเงื่อนไขให้ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้ น, นมีเงินเดือนมากขึ้น แล้วก็รวมทั้งเป็นที่นับหน้าถือตาว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำอันนี้คือแรงจูงใจนะแรงจูงใจที่กระตุ้นให้ในักวิชาการเนี่ยทำงานวิจัยนะซึ่งเป็นงานที่ยากต้องใช้ความอดทนและต้องใช้สติปัญญาแต่ว่าผลที่ได้เนี่ยมันก็จะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการก็มีการสร้างแรงจูงใจแบบนี้เกตนาดีนะ แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเป็นการกระตุ้นให้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยซึ่งอยากจะมีเงินมีตำแหน่งมีชื่อเสียงหาทางใช้ทางลัดมีการทุจริตมีการบิดเบือนข้อมูลมีการปั้ม ง, งานวิชาการโดยเติมแต่งข้อมูลตามใจชอบเพื่อตัวเองได้มีชื่อเสียงมี เกียรติยศมีเงินเดือนเป็นที่นับหน้าถือตาเจตนาดีนะในการที่พยายามให้ส่งเสริม ง, งานให้คนทำงานวิจัยโดยเอาชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยมาเป็นจะเป็นตัวล่อก็ได้จนกระทั่งมันมีคาพูดว่าเนี่ยถ้าไม่พิมพ์ผลงานวิจัยนยก็เท่ากับหมดอนาคตนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า publish or perish Publish ก็คือพิมพ์ถ้าไม่มีงานตีพิมพ์ก็ Perish คือหมดอนาคตนะคนก็เลยถ้าอยากมีอนาคตในทางวิชาการก็ต้องผลิตงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์แต่ปรากฏว่าอยากอยากโตเร็วนะอยากมีชื่อเสียงอยากประสบความสำเร็จ เ, เ, เร็วก็เลยโกงมันซะเลยทุจริตมันซะเลยก็กลายเป็นว่า กลไกที่ต้องการส่งเสริมงานวิชาการส่งเสริมองค์ให้มีการสร้างองค์ความรู้มัน ก, กลายเป็นการสร้างความเท็จสร้างความหลงผิดอย่างกว้างขวางเลยเจตนาดีนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นเวลวร้ายไปซะเราเห็นได้เยอะเลยนะการ การทำอะไรที่มีเจตนาดีมีมาตรการที่ต้องการให้เกิดผลที่ดีแต่แล้วเนี่ยมันเกิดผลตรงกันข้ามมันมีเรื อ, อนดุบาล น, นะแห่งหนึ่งในในเมืองนอกเนี่ยอิสราเอลนะเขาก็มีกติกาหรือมีข้อบังคับว่าผู้ปกครองต้องมารับลูก ตามเวลานะเช่นเวลาเลิกบ่ายสามเนี่ยนะผู้ปกครองก็ต้องมารับบ่ายสามอย่าให้ลูกรอแต่ว่าก็มีผู้ปกครองบางคนนะที่มาสายก็มีสร้างความเดือดร้อนให้กับเด็กแล้วก็ครูที่ต้องคอยเฝ้าเด็กจนกว่าผู้ปกครองจะมา เขาคิดกันนะว่าทำยังไงจะให้ผู้ปกครองเนี่ยมารับเด็กตามเวลาเขาก็เลยมีคล้ายๆบทลงโทษนะว่าถ้าผู้ปกครองมารับสายมารับลูกสายจะถูกปรับนะจะถูกปรับแล้วเขาคิดว่าถ้ามีมาตรการแบบนี้เนี่ยผู้ปกครองจะมารับลูกตรงเวลามากขึ้นมาสายน้อยลงบอกว่าตรงข้ามนะ พวกผู้ปกครองเนี่ยมารับลูกสายกันมากจํานวนมากขึ้นเขาก็สงสัยทําไมเป็นอย่างนั้นนะมาตรการนี้มีไว้เพื่อลงโทษผู้ปกครองที่ไม่ใส่ใจในการมารับลูกแต่ทําไมเนี่ยมันกลับทําให้ผู้ปกครองนี่นะมารับลูกสายมากกว่าเดิมก็พบว่าผู้ปกครองเนี่ย แต่ก่อนเนี่ยเวลามารับลูกสายเนี่ยนะเขาจะรู้สึกผิดนะว่าเขาไม่รับผิดชอบลูก <c oughs> หลายคนก็พยายามมาให้ทนให้ทันเวลาหลายคนที่มาสายก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจรู้สึกผิดนะแต่ว่าบางทีมันก็จําเป็นนะเพราะมีงานเพราะติดพันงานงานแต่ก็นี้พอโรงเรียนมีมาตรการแบบนี้นะมันแปลว่าต่อไปนี้รับลูกมารับลูกสายได้นะขอเพียงแต่จ่ายเงินนะ การจ่ายเงินก็คือการซื้อสิทธิ์ในการมาสายเป็นอย่างนั้นไปนะผู้ปกครองก็เลยยอมซื้อสิทธิ์นะซื้อสิทธิ์มาสายด้วยการจ่ายเงินให้กับโรงเรียนนะเพราะว่ามีธุระที่โน่นที่นี่บางทีก็ไปชอปปิ้ ง, งต่างๆมาสายก็ไม่เป็นไรไม่รู้สึกผิดอีกแล้วเพราะว่าแค่จ่ายเงินจ่ายเงินแล้วก็ซื้อสิทธิ์ในการมาสายก็สบายใจก็เลยมาสายกันใหญ่เลย อันนี้เรียกว่าเจตนาดีนะแต่ว่าผลต้องมานี่มันตรงข้ามเลย้เราไปเจอเหตุการณ์แบบนี้เยอะเลยนะเมื่อหลายปีมานี้เนี่ยรัฐบาลหลายประเทศเลยนะมีนโยบายที่จะลดการบริโภคเหล้าคนกินเหล้าเนี่ยมันสร้างปัญหามากมายนะทั้งอัจฉา ก, กรรมปัญหาสุขภาพ เกิดดูปฏิเหตุและไม่ต้องพูดถึงเรื่องศีลธรรมนะทำยังไงได้คนเลิกกินเหล้าก็ทำให้การกินเหล้าผิดกฎหมายนะห้ามกินเหล้าห้ามซื้อขายเหล้าด้วยความคาดหวังว่าคนมันจะกินเหล้าน้อยลงแต่ที่ไหนได้นะมันกลับทาให้เกิดปัญหามากมายพอพอ ยกเลิกเล่าทำให้เล่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายล่ามันไม่ได้หายไปไหนนะมันลงใต้ดินพอลงใต้ดินมันก็อยู่ในอุ้งมืออยู่ในความดูแลอยู่ในอํานาจของพวกโจรพวกมาเฟียให้พวกพวกที่เป็นวิจฉาชีพเนี่ยร่ํารวยก็เป็นล่ําเป็นสันเลยนะเพราะแอบขายเล่าผิดกฎหมายและพอล้เล้ามันอยู่ใต้ดินเล่าเป็นของผิดกฎหมายมันก็ราคาแพงพอเหล้าราคาแพงเนี่ยนะ กำไรมันก็สูงพวกมาเฟียพวกทุจริตก็ร่ํารวยจากการขายเหล้าใต้ดินคราวนี้ตํารวจที่จะมาตามจับทํำยังไงก็พวกมาเฟียพวก น, นี้ก็ซื้อนะยัดเงินให้ตํารวจตํารวจก็ทําเป็นไม่สนใจเอาหูไปนาวตาไปไร่บางทียัดเงินตํารวจไม่พอยัดเงินผู้พักสายกลายเป็นว่า ตำรวจเอ่ยผู้พิพากษาอายการเอ่ยคอร์รัปชันกันเป็นเป็นกันเป็นระบบเลยนะเพราะว่าอายการที่ทําให้เหล้ามันกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายนี่นําซ้ํำนะชาว บ, บ้านที่หาซื้อเหล้าไม่ได้เนี่ยเขาก็ผลิตเหล้าเองเลยในรัสเซียเนี่ยมันเคยทําให้เหล้าผิดกฎหมายแนละ้วเพราะว่าคนเนี่ยตายเพราะผลิตเหล้าเองเนี่กันเยอะมากยาน้ํายาขัดรองเท้าเนี่ย น้ำ ย, ยาขัดรองเท้าที่เราเคยขัดกันอนะสมัยเด็กๆ ก, กีวีเนี่ยเอามาเอามาทําเป็นวัตถุดิบผลิตเหล้าเพราะว่าอยากกินเหล้าแต่หาเหล้ากินไม่ได้นะก็ต้องผลิตเองก็เอาน้ํายาขัดรองเท้าเนี่ยมาปรุงผลิตเป็นเหล้าเพราะว่าตายนะกินเหล้าอเนี้ยตายกันเป็นแถวเลยตัวทุดท้ายรัฐบาลยอมนะเลิกไม่ทําให้ลัาผิกดกฎหมายแล้วแต่ว่า มีการควบคุมการบริโภคการผลิตนะมันก็เลยดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าไอ้ความตั้งใจดีเนี่ยนะโดยเฉพา ะ, ะเรื่องเล่าเนี่ยโอ้เล่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีผิดศีลห้าเพราะนั้นเนี่ยมันต้องควบคุมไม่ให้มีการผลิตทาให้เลด่ดผิดกฎหมายบอกว่าเกิดปัญหาตามมามากมายนะอันนี้ก็อาจจะรวมไปถึง สิ่งที่มันปนเปื้อกิเลสอย่างอื่นด้วยนะเช่นโสเพนีหรือว่ายาเสพติดบางชนิดเนี่ยหลายคนก็เจตนาดีนะอยากจะให้มันเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่พอผิดกฎหมายก็จริงๆนะโอดปัญหาตามมาเยอะเลยหลายประเทศเดี๋ยวนี้เขาก็เลยยอมให้ให้มันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายหรือไม่เอาผิดยอมให้มันขึ้นบนดินนะทางที่จริงทางให้มันขึ้นบนดินแทนที่จะหลบได้จิงคือว่า ทำให้มันเป็นถูกกฎหมายใช่ไหแต่ว่าควบคุมเพราะอยู่บนดินควบคุมยากอยู่ใต้ดินควบคุมยากแต่ว่าพอพ้นขึ้นมาอยู่บนดินแล้วมันควบคุมง่ายปัญหาก็น้อยลงอันนี้คือประสบการณ์ของหลายประเทศประเด็นทั้งหมดที่พูดมาคือว่าเนี่ยความปรารถนาดีอย่างเดียวมันไม่พอนะเราทําเราสร้างมาต ร, รการหลายๆอย่างที่พยายามส่งเสริมให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นมาแต่ว่ามันอาจจะกลายเป็นตัวกระตุ้นกิเลส ทำให้คนเนี่ยเกิดตัณหาราคะมากขึ้นก็ได้หรือยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะเด็กเนี่ยนะเราเห็นเด็กเกเรบางทีครูก็ลงโทษด้วยการจับเด็กมานั่งสมาธิดูเหมือนดีนะบางทีลงโทษเด็กด้วยการนั่งสมาธินะแต่ครูก็ไม่ได้นั่งนะครูก็แค่คอยเฝ้าดูให้เด็กนั่งสมาธิ บอกว่ามันสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีให้กับเด็กนะว่าเนี่ยการนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันคือสิ่งมันคือการลงโทษเด็กดีเขาไม่นั่งสมาธิกันเฉพาะเด็กไม่ดีนั่งสมาธิสมาธิคือการลงโทษไม่ใช่ว่าคือการที่ทําให้เกิดความดีงามกับจิตใจอาจารยนาดีนักครูเนี่ยนะอยากจะให้เด็กเนี่ยมีสมาธิแต่พอเอาสมาธิมามาใช้เพื่อ คล้าเป็นการลงโทษเด็กให้เด็กดีๆก็รู้สึกว่าการนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ใช่เหมาะกับตัวไม่เหมาะคนที่ทําผิดมากกว่าคือเพราะมันคือการลงโทษเด็กจํานวนมากเนี่ยมีความคิดแบบนี้นะมาสมาธิเนี่ยมันคือการลงโทษนะมันไม่ใช่เป็นการให้รางวัลกับตัวเองมันไม่ใช่เป็นการทําสิ่งดีงามให้กับตัวเองงั้นคนเราเนี่ยเวลาทําอะไรเนี่ยนะเราปรารถนาดีก็จริงนะแต่ว่า ก็ต้องคำนึงได้ว่าไอสิ่งที่เราทำลงไปหรือว่าสิ่งที่เราพยายามส่งเสริมให้คนทำเนี่ยมันต้องใช้ความรู้ต้องใช้ความเข้าใจด้วยไม่ใช่แค่เจตนาดีอย่างเดียวเพราะเจตนาดีแต่ว่าสร้างผลเสียเนี่ยมันมีเยอะมากนะตัวอย่างที่พูดมานี่ก็แค่เล็กน้อย